بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب ا ل ม س ل <ؤ> ا م ي ส بالدمام تواصل معك ค خ ي الكريم ا ل م ص ช ف الشريف ل ل ا خ กร์สักร์ดีลกามดีอิมุสลั ي ชรีฟที่สองและม ل ر ยู่ในสุรัตอับทอัลอิมรเป็นบทมดานิยามีสองอยอาสที่เรียกบทนี้ว่าอลอิมร ก็ เ, เพราะว่าในบทได้กล่าวถั้งเรื่องราวของครอบครัวที่มีเกียรติครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของอิมรันซึ่งเป็นยีดาของมะรยัมเป็นแม่ของนบีอีสาอไลสลัดเรื่องราวของครอบครัวนี้อัลลอฮ์ได้ทรงให้เห็นเดชานุภาพของโรมโดยการให้มะรยัมที่เป็นหญิงที่บริสุทธิ์ฝุดพไม่เคยมีชายใดต้องตัว และคลอดลูกออกมาคือนบีอิชาอะัยสละบทอาลไลมรอนี้ได้ประมวลไว้ด้วยองค์ประกอบส ำ, สำคัญสำคัญสองประการด้วยกันกล่าวคือหลักอธิไนดะ้พร้อมด้วยหลักฐานและเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่ามีอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทร ง, งเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมันหยากต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทาสงครามและการต่อสู้นทางของอัลลอฮ์สหรับองค์ประกอบ ที่หนึ่งนั้นได้มีองค์การเพื่อมายืนยันการเป็นเอกภาพของพระองค์การเป็นนบีของนบี ม, มุฮัมมัดศัจธรรมของอัลกุรอานและโต้อตอบข้อโต้แย้งของชาวคำภีร์ที่มีต่อาศาสนา伊斯兰ต่อคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนเรื่องของนบี ม, มุฮัมมัดสลลลละเวลาละสลักแต่ที่ทราบกันดีแล้วว่าบทอัลบาปรอ ได้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชาวยิวเป็นส่วนใหญ่แต่บทอาลาอิมรันได้พูดถึงเรื่องราวของชาวนซรอหรือชาวคริสเตียนซึ่งได้มาโต้แย้งกับท่านดบี้มูฮัมมัดสุลลัลละเวลสัลลัมเกี่ยวกับนบีอีสราห์โดยพวกเขากล่าวว่าเป็นพระเจ้าว่าเป็นบุตรของพระเจ้าว่าและไม่ยอมรับสาระท ant. ี่ท่านดบีได้นามาซึ่งในเรื่องต่างๆ อันกรานได้โต้ตอบด้วยหลักฐานที่เด็ดขาดมีรายละเอียดมากมายมีเนื้อหาสาระในเรื่องนี้เกือบครึ่งบทอีกทั้งยังได้แจ้งให้ทราบและให้ระมัดระวังเล่ห์กลของชาวยูให้ชาวมุสิมทราบอีกด้วยส่วนองค์ประกอบที่สองเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆในบทนี้ได้พูดถึงบัญญัติเกี่ยวกับวิธีฮัจ์และการต่อสู้ในสงามขอระเรื่องที่เกี่ยวกับดอกเบีย้ย ข้อชี i ขาดเกี่ยวกับผู้ไม่ยอมจ่ายสกาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามบาดัดและสงครามอุพุธบริเวณที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับจากการทำสงครามต่างๆโดยเฉพาะจากสงครามทั้งสองครั้งครั้งแรกได้รับชัยชนะจากสงครามบาดัดและก็พ่ายแพ้ในสงครามอุพุธในครั้งที่สองอันนึ่งมาจากหย่อนยานกับคำสั่งของท่านรอสุจากสงครามครั้งนี้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 อัลอลอฮามิอามอัลลอฮ์มิมอัลลอฮนั้นเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นอยู่เสมอ ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายาพระองค์ได้ทรงประทานคำพินั้นลงมาแก่เจ้าด้วยความจริงเพื่อยืนยันคำีร์ที่อยู่เบื้องหน้าคำพีนั้นและได้ทรงประทานคำพินเตาร้อ แลละคอีดให้ไมีมาก่อนในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์และได้ประธานอันฟุรุกอมาด้วย แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศราต่อองค์การของอัลลอ์นั้นพวกเขาจะรับโทษอันรุนแรงและอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงตอบโต้การลงโทษที่ดียิง่งอินนัลลอฮเอะลัยฮิชัยอฟิลอัลและทิสมแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟ้าฟ้า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 وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ آ ي ا ت م ُ ح ك َ م ا ت ٌ ه ُ م ن م ُ الْكِتَابِ و َ أ ُ خ ر ُ م ُ ت َ ش َ ا ب ِ ه َ ا ت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ز َ ي ْ غ ٌ ف َ ي َ ت َّ ب ِ ع ُ و ن َ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ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 พร้อมคือผู้ส่งประธานคำภีลงมาให้เจ้าโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นมีบรรดาองค์การที่มีข้อความรักภุมชัดเจนซึ่งองค์การเหล่านั้นคือรากฐานของคำภีและมีองค์การอื่นๆ อ, อ, อีกที่มีข้อความเป็นนยันส่วนบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาเองเอียงออกจากความจริงนั้น เขาจะติดตามองการที่เป็นนัยยะของคำพีทั้งนี้เพื่อสแสวงหาความรุ่นวายและเพื่อการตีความในองการนั้นๆและไม่มีใครรู้การตีความองการนั้นได้นอกจากอโลอและบรรดาผู้ที่มั่นคงในความรู้เท่านั้นที่พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราศรัทธาต่อองการนั้นแล้วทั้งหมดนั้นมาจากที่ ท, ที่พระผู้บานของเราทั้งสิน้น และจะไม่มีใครได้รับคำแนะนำตัดเตือนนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นโอ้พระผู้บานของพวกเราโปรดอย่าให้หัวใจของเราเอนเอียงออกจากความจริงเลย หลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ท่านนำแก่พวกเราแล้วและได้โปรดประทานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์ให้แก่พวกเราได้ถึแทจริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมายรับบนาอินนักจามุ่น้าสิลยวมิละาาอิบัฟีอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาด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 และอวมนั้นทรงเป็นผู้ลงโทษอย่างรุนแรงบู้พม่าจงกล่าวแก่ผู้ปฏิเสธสภาวะพวกเจ้าจะรับความปราชัยและในวันปรโลกพวกเจ้าจะถูกต้อนไปสู่นรกยางหนัก قد كان لكم آ ي ة في فئتين ا لتقتان ف ئ ة ا تقاتل في سبيل الله وأخرى ك ا ف ر ة يرونهم مثلهم رأي العين والله ي ؤ ي د بنصره من يشاء. ในน่ ذلك แน่นอนได้มีสัญญาณหนึ่งปรากฏแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งอยู่ในสองฝ่ายที่เผชิญหน้ากันฝ่ายหนึ่งต่อสู้ในหนทางขอรลองและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่ปฏิเสธศรัทธาซึ่งเห็นเขาเหล่านั้นด้วยตาตนเองเป็นสองเท่าของพวกเขา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 الزه ال أنعام ได้ถูกทำให้ลุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่มีเสน่ห์อันได้แก่สตรีและลูกชาย ทองและเงินอันมากมายและม้าดีและปศุสัตว์และไร่นาดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งอำ น, นวยความสะดวกชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกหนีท้นแต่อัลลอฮ์นั้นณนที่พระองค์คือที่กลับอันสวยงาม للذين ا ت َّ ق ت ت ت و ا عند ربهم ِّ ج َ ن ا تجري َ من تحتها الأنهار َ خالدين فيها خالدين فيها َ وأزواج ََ مطهرة َُ وربوان َ من الله والله ُ بصير َ بالعباد محمد don't clap <ت> d <ص> o <في> t <ق> w a l จะให้ฉันบอกแก่พวกเจ้าถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นไหมคือสำหรับบรรดาผู้ที่ยังเกรงนั้นณนะพระทุยบาลของพวกเขาพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและจะได้รับผู้ครองที่บริสุทธิ์และความพึงพอใจจากขอร้องด้วย และลอนั้นทรงเห็นบาวทั้งหลายที نا, نا نا, نا, ่บรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้บับนชาของเราแท้จริงเราได้ศรัทธากันแล้วดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราเลือเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา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 และบรรดาผู้ที่ขอไพย่โทษในอย่างไกล شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسم لا إله بال إلا هو والعزيز الحكيم الله ทรงยืนยังว่าแทจิง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 َمَاخْتَلَةَ مِنْ الَّذِي نَأُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدِ الْعِلْمُ جَاءَهُمُ بَغْيًا فَإِنَّ بَيْنَهُمْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ เท็ ه ศาสนาที al Allah, so ่อัลลอฮ์นั้นคือศาสนาอิสลามและบรรดาผู้ที่รับคำที่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 และถ้าหากพวกเขาโต้แย uh, ้งเจ้าก็จงกล่าวว่าฉันได้มอบใบหน้าของฉันแด่ล l l a แล้ว และผู้ที่ปฏิบัติตามท่านก็มอบด้วยและเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่รับคําทีและบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นว่าพวกเจ้ามอบตัวต่ออัลลอฮ์แล้วหรือถ้าหากพวกเขาได้มอบแล้วแน่นอนพวกเขาก็ได้รับแนวทางถูกต้องและถ้าหากพวกเขาผิดหลังให้ถ้าจริงหน้าที่ของเจ้านั้นเพียงประกาศให้พวกเขาทราบเท่านั้นและร้อนั้นทรงเป็นผู้เห็นกวงบ่าทั้งหลาย إ ن ا ل ذ ي ن َ ي ك ف ر و ن َ ب ِ آ ي ا ت ِ ا ل ل ه و َ ي َ ق ت ُ ل و ن َ ا ل ن َّ ب ِ ي ن َ ب ِ غ ي ْ ر ِ ح َ ق ّ و َ ي َ ق ت ُ ل و ن َ ا ل ذ ي ن َ ي َ أ م ر و ن َ ب ِ ا ل ق ِ ص ِ مِنَ ا ل ن َّ ا س و َ ي َ ق ت ُ ل و ن َ ا ل ذ ي ن َ ي َ أ م ر ُ و ن َ ب ِ ا ل ق ِ ص ِْ م ِ ن النَّاسِ ف َ ب َ ش ر ه ُ م ب ِ ع َ ذ َ ا ب أ َ ل ِ ي م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 อัล <mo> <from world> <le> ัมต์รอิลัลลดีนอูตูนซีดะมินัลคิตาบยุด้วยนอิลากิตาบิลลาฮิลียะกุมะรยนฮุมทุมมมัตวัลลาทีรีกุมมินหุมวะหุมมุ่ร ah ิบ <synchronous> ah ูนมุฮัมมัดไม่ได้มองดูบรรดาผู้ไรับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือโดยที่พวกเขาถูกเชิญชวนไปสู่คัมภีร์หอหลลอก เพื่อคําพินั้นจะได้ตัดสินระหว่างพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็ผลิหลังให้โดยพวกเขาก็กับลังผิห ล, ลังให้อ่นั่นก็เพราะพวกเขากล่าวว่า ไฟนรกนั้นจะไม่แตกต้องพวกเราเลยนอกจากบรรดาวันที่ถูกนับไว้และสิ่งที่พวกเขาปลูกขึ้นมาในาศาสนาของพวกเขานั้นได้หลอกลวงพวกเขาให้หลงเชื่อและจะเป็นอย่างไรเล่า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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัล้อมผู้ทรงอวิสิทธิ์แห่งอำนาจทั้งปวงพระองค์นั้นจะทรงประทานอำนาจแก่ผู้ที่พร้องทรงประงค์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 และทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราสจากการคิดคำนวณ ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดอวบดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นนอกจากผู้ศรัทธาและผู้ใดกระทำเช่นนั้นเขาย่อมไม่อยู่ในาศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์นอกจากพวกเจ้าจะป้องกันจากพวกเขาจริงๆเท่านั้น และอัลลอฮ์ทรงเตือนพวกเจ้าให้ยังเกรงพระองค์และยังอัลลอฮ์นั้นคือการกลับไปโอลิลทุกุมที่ซดูรุกุม أ ย تبدوه يعلمه الله ويعلم مات ا ل س م ا و ا ิว م ا في ا ل อ ر ض والله على كل شيء قدير จงกล่าวเถิดมูฮัมมัด หากพวกเจ้าปกปิดสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามอัลลอฮ์ย่อมรู้สิ่งนั้นดีและทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและอัลละฮ์นั้นทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งย่าุมะเจจุคุลเนศหมางามิลตมินอยรมอัพะร วَาม ا عمل ต์มิสุอินทวด لو أَنَّ ัน ي ْ ن َ ه ا وبين َูอเมด ع เบ د ด ا ويحذركم الله نفسه والله ر ُ ف و ف بالعباده วันที่แพ้ชีวิตจะไม่คบกับความดีที่ตนได้ประกอบไว้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าและความชั่วที่ตนได้ประกอบไว้ด้วย แต่ละชีวิตนั้นชอบหากว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้นจะมีระยะทางที่ห่างไกลและอัลล <ric an true mosque> ์น <food> <lek>, ั้นทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีต่อปวงบาป จงกล่าวเถิดอุมฮะมัดหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าซึ่งโทษทั้งหลายของพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ฟะอินเธวัลลาวฟะอินัลล้าหาลายุหิบบุลคาฟิรีนจงกล่าวเกิดมูหมัดพวกเจ้าจงเชื่อฟังอ AH ัลล่ะหรอสูนถึงแต่ถ้าหากพวกเจ้าผินหลังง่ายแท้จริงอัลล่านั้นไม่สงชอบผู้ปฏิเสธสถาทั้งหลา แท้จริงัลลอ h ได้ส่งคัดเลือกอาดัมและนูฮ์และวงวานของอิบราฮีมและวงวานของอิมรอนให้เหนือกว่าประชาชาติทั้งหลาย ด min e er โดยเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกันและกันและอลนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทร ง, งรอบรู้อิดกาลติรเตุอิมรานรับบิอินนีนด ا ตุลักมาฟีดัตนีมุัรัมับรมินนี นนะะตจงรำลึกถึงขณะที่ปัญญาของอุมรอนกล่าวว่าโอ้พระผู้บัญาของฉันแท้จริงฉันได้บนบานเลยว่าให้สิ่งที่อยู่ในขันของฉันถูกเจาะจงให้อยู่ในฐานะผู้เคารพพักดีต่อพระองค์และรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากทันด้วยเถิด แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรูแล้วมมว่าวางแทอพละเจตรัสว่าขาพเจ้าางอเปนผู้หอิงพระอจ้าทรงรู้ว่าขาพเวาเธออย่างไรไม่ใช่เพียงแค่การกา แค่เมื่อนางได้คลอดบุตรนางก็กล่าวว่าโอ้พระผู้อวยพของฉันแท้จริงฉันได้คลอดบุตรเป็นหญิงและอเลอส์นั้นทรงรู้ดียิ่งกว่าถึงบุตรที่นางได้คลอดมา และใช่ว่าเพศชายนั้นจะเหมือนกับหญิงก็หาไม่และฉันก็ได้ตั้งชื่อเขาว่ามารยาทแล้วฉันก็ขอต่อพระองค์ให้ทรงคุ้มครองนางและลูกของนางให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งแต่จ้กับริแลห์รับเธอไปกับูลินฮะสเนวะอัะเบเธนนบาตันฮะสเลว์และเคฝละฮาซัคเรียา كلما دخل عليها زكريا من إحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. แล้วพ ب ي ผู้ทรงอภิของนางก็ทรงรับมรรยำไว้อย่างนี้ และทรงให้นางเจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้รักริยาอุปการะนางคราใดาที่รักริยาเข้าไปหานางที่อันเนียยหรอกเขาก็พบปัจจัยอย่างชีพอยู่ที่นางเขากล่าวว่าโอ้พระเจ้เธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนางก็กล่าวว่ามันมาจากอาลัลลอฮ์แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู่ที่โปร่งทรงประสงค์ โดยาลาลิกะดะาซักริยารับบะฮคฮลรับบิฮัดะลิมิลละตุ น, ต น, ต น, น, นกะดุรีตบทีินุ่งที่โนลซักริยาได้วิงวอนต่อพระผู้ยบาลของเขาโดยกล่าวว่าโอ้พระผูวิบาลของฉันโปรดได้ทรงประทานแก่ฉัน ซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์ท่านแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินคำาูว่านาดัฐุลมเล็คตะวะฮฺวะไอิมุยุศลีฟิลมิหราบันัลลอฮฺยุบัชรุค์บียะฮิยามุซดดิกับคลิมดียวติน์มลลอฮิวะเซยดอวะฮซูรอ ม, ม, มุัลลนนมล ال แล้วมาแลาย์กาได้เรียกเขาขณะที่กำลังยืนละหมาดอยู่อยู่ในอันเนี้ยบอกว่าพี่จริงอัลลอฮ์นั้นทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยย่าหยาโดยที่จะเป็นผู้ยืนยันจำรักหนึ่งจากอัลลอฮ์ และจะเป็นผู้นำและผู้รักษาความบริสุทธิ์และเป็นศาสดาท่านหนึ่งจากมูชนที่เป็นคนดีข่าพระบิด่าพระบิดาข้าว่าพะบิดาข้าว่ระบว่าพบิขาวรว่าร้วพระบิว่าบา้พระิขวัาราข้าาิด่าดาริ้าวะาะ้าข่าวว่า้พระวิบาข ฉันจะมีบุตรได้อย่างไหวโดยที่ความชราภาพได้ประสบกับฉันแล้วและทังอยากของฉันก็เป็นหมันด้วยโทรมตรัสว่ากระนั้นก็ตาม ALLAH จะทรงกระทําตามที่โทรมทรงสรงประสบกาลร บ, บิจัลีอายะกาลอายะทุกอัลลาทุกัลลิมันนาสะลาทะไอยะมิอิลลาหวน ز า เขากล่าวว่าโอ้พระผู้ยบาพของฉันโปรโดได้ทรงมีสัญญาณหนึ่งแก่ฉันด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้านั้นคือเจ้าจะไม่สามารถพูดคุยกับผู้คนเป็นเวลาสามวันนอกจากด้วยการแสดงท่าทางเท่านั้น และจงรำลึกถึงพระผู้ิบาลของเจ้าให้มากๆและจงกล่าวให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ทั้งในยามเย็นและยามเชา้าและจงรำลึกขณะที่มาลายกากล่าวว่าโอ้มรยม แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกเธอและทรงทําให้เธอบริสุทธิ์และได้ทรงเลือกเธอไว้เหนือบรรดาสตรีแห่งประชาชาติทั้งหลายโอมะระยาจงพักดีต่อพระผู้อวยพรของเธอเถิดและจงสุญญดและจงรควัวร่วมกับบรรดาผู้โรควัวทั้งหลาย นั S <S. <S. <S. ่นคือส่วนหนึ่งจากบรรดาข่าวในเรื่องสิ่งลึลับซึ่งเราได้ชี้แจงให้เจ้าสาบ และเจ้าไม่ได้อยู่หน้าที่พวกเขาขณะที่พวกเขาโยนเครื่องเสียงถ่ายของพวกเขาเพื่อทราบว่าใครในหมู่พวกเขาจะได้อุกการะมรยำัำและเจ้าไม่ได้อยู่หน้าที่พวกเขาขณะที่เขาโต้เถียงกัน إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر بكلمة من هسمه ا المسيح عيسى المريم وجهها وجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ถ้าจริงอลัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวมีแก่เธอซึ่งดำดับหนึ่งจากพรุ่งที่ของเขาคืออัลมาสีอีซาบุตรของมารยา์โดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้และประโลกและจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดและเขาจะพูดกับผู้คนในขณะที่เขานอนอยู่ในบ่และในวัยกลางคน และจะอยู่ในมูอคนงนี้าอ่ารั أ ن ّ ي يكون لي ولد ولم ينسّني َ ش ْ ر قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ ي َ خ ْ ن ُ ق ُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ُ فَيَكُونُ นางกล่าวว่าโอ้พระผูยบาลของฉัน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่ไม่มีชายใดแต่ต้องตัวฉันพระองค์ตรัสว่ากระนั้นก็ตามอัลลอฮ์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เมื่อพระองค์ชี้ขาดงานใดแล้วพระองค์ก็เพียงประกาศสิ่งนั้นว่าจงเป็นขึ้นเถอแล้วมันก็จะเป็นขึ้น พระองค์ก็จะทรงสอนเขาซึ่งการเขียนและความรู้อันถูกต้องและสอนคำพีเตารอดและคำพีอินยี َاُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِإِذْنِ لَآيَةً และเขาก็ู่กูดไปยังวงวานอิสราเอลโดยที่เขาจะกล่าวว่า <ين> <ت ص في ق> ถ้าจริงฉันนั้นได้นำสัญญาณหนึ่งจากพระพิบาลของพวกเจ้ามายัางพวกเจ้าแล้วโดยที่ฉันจะจำลองขึ้นจากดินให้แก่พวกเจ้าดังรูปนกแล้วฉันก็จะเป่าวิญญาณเข้าไปในมันแล้วมันจะกลายเป็นนกโดยอนุมัติของอลัลลอฮและฉันจะรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดและคนเป็นโรคเรื้อนและฉันจะให้ผู้ที่ตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นด้วยอนุมัติของอลัลลอฮ แต่ฉันจะบอกถึงสิ่งที่พวกเจ้าเริพูด ก, กันและสิ่งที่พวกเจ้าสะสมไว้ในบ้านของพวกเจ้าแท้จริงในเรื่องนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา จุบมและฉันจะเป็นผู้มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของฉันอันได้แก่คำพีตะวอดและเพื่อที่ฉันจะได้อดุมัติแก่พวกเจ้าซึ่งบางสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกเจ้าและฉันได้นำสัญญาหนึ่งมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นถึงยำเกรงละล้อเถอิด และจงเชื่อฟวามัริงแทะจริงอลไรนั้นคือพระผู้ยิบานฉันและพระผู้ยิบานของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพพักดีต่อพระองค์เถิดนี่แหละ ฟิฏฮาน أنفطر فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله า م ن ว ب ช ل ัด و ش อ د ب أ ามุ م س ิ ม, ม س ي س ى ال و ن ขันเมื่ออิจารู้สึกว่ามีการปฏิเสธศรัทธาเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเขา จึงได้กล่าวว่าใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือท่านไปสู่อัลลอฮ์บรรดาสาวกพี่บริสุทธิ์ใจกล่าวว่าพวกเราคือผู้ช่วยเหลือาศาสนาของอัลลอฮ์พวกเราศรัทธาต่ออัลลอ์แล้วและท่านจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเรานั้นคือผู้นอกน้อนามนนานาน โอพระผู้บาลของเราเราได้ศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาและพวกเราได้ปฏิบัติตามศาสนาพูดแล้วโปรดทรงบันทึกพวกเราให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิด。 และพวกเขาได้วางแผนและอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนด้วยและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยมดกาาัวววีนนนนรระู وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ف َ و ْ ق ا ل َّ ذ ِ ي ن كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ف َ و ْ ق ا ل َّ ذ ِ ي ن ك َ ف َ و إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا ك ُ ن ت ُ م َ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ จงนำเล็ถึงขนาดที่ล้อนตรัสว่าโออีซาถ้าจะเป็นผู้ที่รับเจ้าไปและจะเป็นผู้ที่ยกเจ้าขึ้นไปยังข้าและจะเป็นผู้ที่ทำให้เจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและจะเป็นผู้ที่ทำให้บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันขียาไม่และยังข้านั้นคือการกลับไปของพวกเจ้า แล้วข้าจะตัดสินระหว่าพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกั น, น, น, น, น ا آ สนนน่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นข้าจะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาและส่วนบรรดาผู้ที่สัทพาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนแก่เขาอย่างครบถ้วนซึ่งรางวัลของพวกเขาและอัลลอ์นั้นไม่ทรงชอบ ด, าาดังกล่าวนั่นแหละเราอ่านมันให้เจ้าฟังอันได้แก่องค์การต่างๆและคำเตือนให้ดำลึกพื่รัดกุ่มัดจิตอินนัทลืออิสัยดัลลอฮิกะมะะัมทลืออัดม แท้จริงอุปมาของอีซาดังอุปมาของอาดัมปรงทรงบังเกิดเขาจากดนินและได้ทรงประกาศสิทธแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วเขาก็เป็นขึ้น ความจริงนั้นมาจากพระผู้เป็นบานของเจ้าจากนั้นเจ้าอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่สงสัยเป็นสำคัญและนั่นห้เจ้าฟังในบางสิ่งที่จาได้รับจากพระเ فقلتَ ع َ ل َ و ا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ و َِ س َ ن ا و َ ن ِ س َ ك ُ م وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ك ُ م ن َ د ت َ ه ِ ل ُْ م َ ن َ د ت َ ه ِْ ف َ ن َ ج َ ع َ ل ْ ع َّ ة َ ا ل ل َّ ه ِ عَلَيْكَ ذ ِ ب ِ ي ฉะนั้นผู้ใดที่โต้เถียงเจ้าในเรื่องของเขาหลังจากที่ได้มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้วจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงมาเจอเราก็จะเรียกลูกๆของเราและลูกๆของพวกเจ้าและบรรดาผู้หญิงของเราและบรรดาผู้หญิงของพวกเจ้าและตัวของพวกเราและตัวของพวกเจ้าแล้วเราก็จะวิงวอนกันด้วยความนอบน้อม โดยที่เราจะขอให้การสาบแช่งของอัลลอฮ์พึงประสบแกบ่บรรดาผู้ที่พูดโกหกอินนาดาละเลวัลกัสซุลฮักก์อัะมามินอิลามิลลอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์เลวัลลาอิซุลฮักกีมถ้าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และแท้จริงอัลลอ์นั้นคือผู้ทรงเดยชายลุภาพผู้ทรงเรญชายาแล้วหาพวกเขาคิ่นหลังให้ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รู้ดี ا ل ا الذي تام ق ة ا ل ه قل يا ه ل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك فيه شيئا ว่าละ يستخد بعضنا بعض ا أرباب ا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون จงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภี์ทั้งหลายจงมายัางถ้อยคำหนึ่งซึ่งเท่าเทียมกันระหวางเราและพวกเจ้า คือว่าเราจะไม่เคารพสักการะนอกจากอัลลอ์เท่านั้นและเราจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพาทีกับพราและพวกเราบางคนก็จะไม่ยึดถืออีกบางคนเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอ์แล้วหากพวกเขาผีหลังให้ก็ตงกล่าวถึงว่าพวกเจ้าจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้นอบน้อมต่ออัลลอ์ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت السورات والإنجيل إلا من بعده أ فلا ت ع ق ل و ن أو تأكلون ا ل ا م เพราะเห็นได้เล่าพวกเจ้าจึงโต้เถียงกันในเรื่องของอิบรอฮมและคำพี่ตาร้อนและอินยีไม่ได้ถูกประทานลงมานอกจากภายหลังจากเขาและพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหนอ่ล ฟัลิมทู حاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون พวกเจ้านี่ได้โต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นแล้วแล้วก็เหตุชะไหนเล่าพวกเจ้าจึงโตเถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้และล้อนั้นทรงรู้ فحفتاو ما كان إبراهيم يهودي ي و ولا نصراني ي و ولكن كان حنيفًا مسلما ولكن كان حنيفًا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم ملثة تنجيو ل م ث ي ث แต่ว่าเขานั้นเป็นผู้หันออกจากความเท็สู่ความจริงเป็นผู้นอบน้อมต่อรอดและเขาก็ไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาธีต่อรอด คนที่สมควรยิ่งต่ออิบราฮิมนั้นย่อมได้แก่บรรดาที่ปฏิบัติตามเขาและปฏิบัติตามลบีนี้และบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยและอลรอนั้นผู้ทรงคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายวะจักราอีฟตุนมินอฮ์ลิสตาบลูยุดลูนักุมวะมายุดลูนอิลลาณฟุสะุมวะมาญชูรุ กลุ่มหนึ่งจากผู้จะรับคำพีนั้นชอบหาพวกเขาจะทำให้พวกเจ้าหลงผิดและพวกเขาจะไม่ทำให้ใครหลงผิดนอกจากตัวของพวกเขาเองแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกอิละตอ้นเอลลอฮพวจ้าจะเน้ากคำพีทั้งหลายเพราะอย่างไดพวกเจ้าจึงปฏิเสธบรรดาโค์การของอัลลอ ทั้งที่พวกเจ้าก็เป็นพยายนยืนยันโอ้ชาวคอมพิวต์ทั้งหลายเหตุใดพวกเจ้าจึงปากปนความจริงไว้ด้วยความเถิดและปกปิดความจริง ทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าก็รู้และกลุ่มหนึ่งจากบรรดาชาวคัมภีกล่าวว่าพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแต่บรรดาผู้ศรัทธา ในตอนเริ่มแรกของกลางวันแล้วก็จงปฏิเสธศรัทธาในตอนสุดท้ายของมันเพื่อว่าพวกเขาจะได้จับใจ และพวกเจ้าจงอยาเชื่อนอกจากแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาของพวกเจ้าเท่านั้นโมฮัมมัดเจ้าจงกล่าวสถดว่าแท้จริงคำแนะนำที่ถูกต้องนั้นคือคำแนะนำของอัลลอฮ์เท่านั้น จงอย่าเชื่อว่าจะมีผู้ใดได้รับเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับหรืออย่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะโต้แย้งพวกเจ้าณักพระพุยบาลของพวกเจ้าเลยเมื่อมาเจ้าจงกล่าวถึดว่าถ้าจิงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัต์ของอัลซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ละอรลนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. โปรงจะส่งเจาะจงความเมตตาของโปรงแก่ผู้ที่โปรงส่งประสงค์และเรานั้นเป็นผู้งโปรดปรานที่ยิ่ง่ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بإلطار يؤديه إ ل ي ومنهم من إلتمنه بديناللّا يؤذيه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله ك ذ ب َ وهم يعلمون. نَجَعْفَن نَعْشَعَوْكَمْ فِيناً มีผู้ที่หากเจ้าฝากทรัพย์สมบัติอันมากมายไว้แก่เขาเขาก็จะคืนมันแก่เจ้าและจากพวกเขานั้นมีผู้ที่หากเจ้าฝากเขาไว้สักเหรียญทองเขาก็จะไม่คืนมันแก่เจ้านอกจากเจ้าจะยืนเฝ้าทวงเขาเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าพวกเขากล่าวว่าในหมู่ผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นนั้นไม่มีทางที่จะเป็นโทษแก่พวกเราได้ และพวกเขากล่าวความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ทั้งๆที่พวกเขารู้ดีไ ม, าาลลม่ใช่เช่นั้นดอกผู้ใดที่รักษาสัญญาของเขาอย่างครบถ้วนและยำเกรงอัลลอฮ์แล้วแท้จริงอัลลอ์ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ถ้าจิงบรรดาผู้ที่นำสัญญาของอัลลอฮฺและการสาบานของพวกเขาไปขายด้วยราคาเล็กน้อยนั้นชนเหล่านี้แหละไม่มีส่วนได้ใดๆแต่พวกเขาในปลัลลอและอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงพูดแต่พวกเขาและจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวันปลัลลอและจะไม่ทําให้พวกเขาพ้นมนถึงด้วยและพวกเขาจะได้รับ وَإِنَّ مِنْهُمْ ل َ ف َ ر ِ ي ق ً ا ي َ ل ي و ن َ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ และ้วท่างในหมู่เขานั้นมีกลุ่มหนึ่งบิดลิ้นของพวกเขาในการอ่านคำภีเพื่อที่พวกเจ้าจะได้คิดว่ามันมาจากคำภีทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้มาจากคำภีพวกเขาก็กล่าวว่ามันมาจากอัลลอฮ์ a, ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่มาจากอัลล์ โดยที่พวกเขากล่าวความเท็จให้แฉละทั้งๆ ท, ที่พวกเขาก็รู้กันดี ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อลัลลาะทรงประทานคําพีและข้อตัดสินและการเป็นนาบีจะ่เขาแล้วเขากล่าวแต่ผู้คนว่าพวกเจ้าจงเป็นบ่าวของฉันอื่นจากอาลัลลาะหากแต่เขาจะต่าว่าพวกเจ้าจงเป็นผู้ ที่ผูกพัน์กับพระเจ้าเถอเนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยสอนคำพีและเคยศึกษาคำพีมากก่อนและเขาจะไม่ใช้พวกเจ้าให้ยึดเอามาไหล่ และบรรดานาบีเป็นพระเจ้าเขาจะใช้พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าเป็นผู้นอบน้อมต่อเราแล้วกระ น, นั้นหรือวอิามมีบ่ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرونه. قال أقرتم وأخذتم على ذلك م إصري. قالوا أقرضنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين. และจงดำนึกถึงขนาดที่อัลลอ์ได้ทรงเอาข้อสัญญาแก่นบีทั้งหลายว่าสิ่งที่ข้าได้ให้แก่พวกเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นคำพีก็ดีและความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในบรรติศาสนาก็ดีภายหลังไมมีหรอดูลท่านใดมายังพวกเจ้าซึ่งเป็นผู้มายืนยันในสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะต้องศรัทธาต่อเขาและช่วยเหลือเขา พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้ายอมรับและเอาสัญญาของข้าดังกล่าวแล้วใช่ไหมพวกเขากล่าวว่าพวกเรายอมรับแล้วพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเป็นพยานเถิดและข้าก็อยู่ในหมู่ผู้เป็นพยานร่วมกับพวกเจ้าด้วยและผู้ไดที่ถึนหลังให้หลังจากนั้น ชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิด อ, อื่นจากศ า, นนานสมมนสาของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเขาแสวงหาและแดพรงนั้นผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแันดินได้นอบน้อมกันทั้งด้วยการสมรัครใจและฝืนใจและอย่างพระ่งนั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไป على إبراهيم و إ س م ا ع ي ل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أ ُ و ت ي موسى و ع ي س ى و ا ل ن ب ي و ن من ر ب ه م لا ن ُ ك َ ب ِ بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون. محمد جاو ت ل ق ا ه ว่าเราได้ศรัทธาต่อเราแล้วและได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานแก่อิบราฮิมอิสมาเอลและอิสาและยาคูบและบรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายจากยาคูบและศรัทธาในสิ่งที่มูซาและอีซาและนบีทั้งหลายได้รับจากพระผู้บัญชาของพวกเขาโดยที่เราจะไม่แยกระหว่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาและพวกเรานั้นเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้วศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็ น, น้นุและในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาด อย่างไรเล่าที่อัลลอฮ์จะสรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้สภาแล้ว และยังยืนอย่างดลว่าแท้จริงรอสูรนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาดยและอัลล้อนั้นจะไม่ทรงให้ทางนั้นแก่ผู้ที่อาทะอูลาอกะจ زاؤ หุมอันนะอลัยหิมละมะทัลลาหิวัลมะลาอิกะสิวันมาสิอจมาอีน ชนเหล่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการสาบแช่งจากอโลห์จากมาลายกาและจากมนุษย์ทั้งมวล น, นั้นจะตกอยู่แก่พวกเข า, ขาดโดยที่พวกเขาจะอยู่ในการสาบแช่งนั้นตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกขวัตรมแก่พวกเขา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 จะไม่ถูกรับเป็นอนุตตร์และช่วนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงทางอินนัลَลดีนัคต์อัลวะมาตุวะห์มขุฟฟาร์นฟา م ลยุคบัลล์มินอัฮัดฮิมมิลอัลอาดฟาไลยุคบัลล์มินอัฮัด ل ิมมิْอัลอาَดะฮะดูวะลาอิสต์ดาบ อุลลลาดมมมินรแท้จริงบรรดาผูป้ปฏิเสธศรัทธาและได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผูป้ปฏิเสธศรัทธานั้นทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาะและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาออกก็ตาม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 อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสราเอลมาแล้วนอกจากการที่วงวานอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเ้ากิเก่อนจากที่คำพีเตารถจะถูกประทานลงมา มุฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์ตารอนมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดสิแล้วผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อราหลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละ คุณข tamam. ้าว่นค e ุณศรัทธาอัลลอฮ์แต่ติดตามหมิลลทั่วอิบร่านีมาเพลี้ยฟูว่ามานะมินลมุชริกีมมุฮัมมัดทงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นตรัสจริงแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮีมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิด และเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งทาสีต่อว่าอินละอวัลบัยตูดอยาลีนาสลัลลีบิบัคกตมุบาร์โควะฮุดัลีลอาลมีนแท้จริงบ้านหลงังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการเคารพพักดีนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริ่ม فيه آيات بين ت م قام إبراهيم وَمَنْ دَخلَهُ كَانَ آ م ِ ن ا وَلِلَّهِ ع َ ر َ ن النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ م َ ن اسْتَطَاعَ إلَيْهِ س َ ب ِ ي ل ا وَمَنْ كَثَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมั่กปอมทิบรอฮิมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้กรอดภัยและเป็นสิทธิของอลัลลอ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธสัตยา แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึงประชาชาติทั้งหลายโอลยาอัลฮนั้คิดาบลิมะต์คุรุนเบอาียติอลลอฮิวะลลาชฮดุลามัมุนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคำภีทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาวงการอัลลอฮ์ و َ ل َ ي َ ا أ َ ه ْ ل َ ا ل ْ ك ِ تَابِلِمَا ت َ ص ُ د ُّ و ن َ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آ م َ ن َ لِمَا ت َ ص ُ د ُّ و ن َ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آ م َ ن َ ت َ د ْ غ ُ و ن َ ه َ ا عِوَجَوْا أَن ْ ت ُ م ْ ش ُ هَدَى ا و َ م َ ا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ م ُ ح َ م َّ د ต้องกล่าวสริว่าโอ้ชาวคำพีทั้งหลายเพราะเหตุนใดนพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาให้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งๆที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่และรอนั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากดระทำ สุติยูรีขมมนทนัอุตุลกิตาบอินสุติยรีมมนนั่อุตุลกิตาบ์บยรดุคุมบ่งดอีมาลุมคาธรินโอ้ผู้สถาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับคำพี่แล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธสถาอีก หลังจากที่พวกเจ้าสถาปนาแล้วและอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธสถาทนาทั้งๆที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การขอรัดถูกอ่านแก่พวกเจ้า และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าและพวกได้ยึดมั่นต่ออัลล์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่วันร่าอันเที่ยนตรงผู ق ق ้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายถึงอนั้นขานอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้นวะะ่ า, ววา ต, รรตั้งมั่นดาักอัลลอฮทุกคนว่าละทั้รวะกวรูนามอลล์้าฮิอ้ลักว่าพวกทนไุมอางามัันธะหัใจกุ่านจกท่า และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกขอรอดโดยพร้อเพียงกันและจงอย่าแตกแยกกัน และจงรำลึกถึงความเมตตาของลอที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแลว้วพระองค์ได้ส่งประสารหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพวกและพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแลวก้วพระองค์ก็สรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปาดหลุมแห่งไฟนรกนั้นในํำนองนั้นแหละลอทจะทรงอธิบายแก่พวกเจ้า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 ที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสาเร็จ <stand ard voice>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 บบวันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผมและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้ำส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาดำคล้ำนั้นพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าจงจิ้มการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา ض ض ة ه ส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาขาวของนั้นพวกเขาจะอยู่ในความเมตตาของล l l a โดยที่พวกเขาจะอยู่ในความเมตตานั้นตลอดกาลเหล่า น, นั้นเยนสิ่งที่ล l l a h ทรงให้แก่คุ นั่นคือบรรดาองค์การขอรอดโดยที่เราจะอากองค์การเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงแล้วล่อนนั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชาชนาทั้งหลาย และสิ่งที่อยู่ในบรรดาทันฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแพันดินเป็นสิทธิของ ALLAH และอย่าง ALLAH นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนํากลับไปคุณทุมขยรอมนตินอุขริจัตลินนาสต أ มรูนบิลมารูปวะทันเหาน่านิลมนครวะทุอมินูนบิลล้าวัลวอามนอัฮลุลกิตาบละคาณขยรลุม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 ضربت ع ل ي ِ مزدلة أينما تقطف إلا بحبل من الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وذاهوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يهرون بآيات الله. ความต่ำช้าได้ถูกกระนำลงบนพวกเขาและที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพกนอกจากด้วยสายเชือกแห่งอัลลอ์และสายเชือกจากมันและพวกเขาจะนำความเกลียโกรดจากอัลลอ์กลับไป และความอัดสมก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮและการฆ่าบรรดานาบดีโดยปราศ จ, จากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องมาจากที่พวกเขาดื้อดึงและเคยทำการละเมวา พวกเขาหาใช่เหมือนกันไหมจากบรรดาชาวพันธีนั้นก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรมซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาองค์การขอลองในยามค่ำคืน لابران يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فقصو سفاق الله لو أنفر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 เป็นอันและล้อนนั้นทรงทร า, าบบรรดาผู้ทียังไปดีอินนั้ลลัตตินัฟารุลละทุ่งีอันหุมอวารุหุมวลาเอวลาดุหุมมินัลลอฮิเศียะ وأولائكة أصحاب النارهم فيها قايدون แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้น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 ได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาธรรมแก่ตนเองแล้วได้ทำลายพืชผลนั้นอรนั้นนิสงอาธรรมแก่พวกเขาแต่เพาะว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง لا تستخدوا ب ط ا ن ة من دونكم لا يألونكم خبلا ا وذو ما عن ا ت م قد بدت البغضاء من أفواههم وما ت خ ف ي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أو قصّة حادثة ل ع ن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 เมื่อมาจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงตายอั น, นลื่นด้วยความเคียดแค้นของพวกเจ้าเถิดแท้จริง ล, ละลอกเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในโลกทั้งหลาย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 แ ล, ล้วร้อนั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้ส่งรอบรู้อิดฮัมมัตไควตนิมุนุุมอัลตักชลาวัลลอฮุวะลิยุมะวะลาลลอฮิฟัลเลตุลกลิลมุ่มลูนจงรำลึกขณะที่สองกลุ่มในหมู่พวกเจ้ารู้สึกอ่อนแอและขาแต่เราเป็นผู้ส่งคุ้มครองทั้งสองกลุ่มนี้ไว้แ ล, ล้วร่อนนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายถึง แ ล, ب ب และความจริงอัลลอฮได้สรงช่วยเหลือพวกเจ้าที่สมรภูมิบาดาัดมาแล้วทั้งที่พวกเจ้ามีกำลังร้อยกว่าแต่นั้นพวกเจ้าคมยำเกรงอัลลอฮเถิหวังว่าพวกเจ้า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 และพวกเขาจะมายัางพวกเจ้าทันทีทันใดขนะนี้แล้วพระวิบาลของพวกเจ้าก็จะเสริมกำลังแก่พวกเจ้ า, าด้วยจำนวนมาเลยก้าห้าพันตงโดยมีเครื่องหมายระบุไว้วม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 หรือไม่ก็พระองค์จะทรงอภัยโทษแก่พวกเขาหรือลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขานั้นคือผู้อาถรรพ์อลลอฮฺข้าพเจ้าขออัลลอฮฺทรงอภัยให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์และที่อยู่บนโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺเท่านั้น พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และรนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอยากกินดอกเบีย้ยหลายเท่ากับเทวีคุณและพวกเจ้าพึงยังเกลงอลัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับควาสมสำเร็จและพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรก ที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาถือและวพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอห์และรอซูลของพระองค์ถเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา และพวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระวิบาลของพวกเจ้าและไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ยังเกรง บรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในอย่างสุขสบายและในอย่างเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ระนักโทรศัพ์และบรรดาผู้ที่ให้อภยัยแก่เพื่อนมนุษย์ سمرة وَالَّذِينَ إِذَا ف َ ع َ ل و ا ف َ ا ح ش َ ة ً أ َ و ظَلْمٌ أ َ ن ف س َ ه ُ م ذ ك ر ا ل ل ه ذ ك َ ر ا ل ل َّ ه َ ت س ت َ غ ف ر و ن َ ذ ُ ن و ب ِ ه م وَمَن ي غ ف ِ ر ا ل ذ ّ ن و ب َ إ ِ ل ا ا ل ل ه و َ ل َ م ي ص ِ ر ّ و ا ع َ ل ى م ا ف َ ع ل و ا و ه ُ م ي ع ل م ُ و ن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 ชนเหล่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการอภัยโทษจากพระผู้ยบากของพวกเขาและบรรดาสวนสวรรค์ ซึ هنا, там, là, ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู <ut> ah> ่ใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจับอนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาลและรางวัลของผู้ที่ทํางานนั้นช่างดีจริงแน่นอนได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนพวกเจ้า ซึ่งแนวทางต่างๆดดังนั้นพวกเจ้าจึงฟ้องไปในคั่นดินแล้วจงดูว่าบรนปลายของผู้ปฏิเสธสัาผนั้นเป็นอย่างไรานนี่คือข้อที่แจกชัดแจ้งสำหรับมันและเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นคำตัดเตือน และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้และจงอย่าเสียใจและพวกเจ้านั้นคือผู้สูงสงิ่งหากพวกเจ้าเปนผู้ัาและพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้และจงอย่าเสียใจและพวกเจ้านั้นคือผู้สูงสงิ่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ي ي หากประสบกับพวกเจ้าซึ่งบาดแผลหนึบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบกับพวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยเดียวกัน และบรรดาวันเหล่านั้นเราได้มันหมุนเวียนไประหว่างมนุษย์เพื่อที่อัลลอฮจะ ส, งสรงทราบและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและเพื่อเอาบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามจากพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักผู้อาธรรมทั้งหลายววลลลยมัอดนนนกกร เพื่อที่อลัลลอฮ์จะทรงขัดเกล้าบรรดาผู้ที่ศรัทธาให้บริสุทธิ์และทรงขัดจัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้หมดไปหรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ ท, ท, ทั้งๆที่อัลลอฮ์ยังไม่ทรงทราบบรรดาผู้ที่ต่อสู้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 وما محمد إلا رسول قد خ ل ت من ق ب ل ا ه ر س ُ ل فإنما تأوقتل ق ل ب ت ُ م على أعقابكم و م ن يقلب على عقبه فليضل الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. หาใช่อื่นใดไหม่นอกจากเป็นรอซูลผู้หนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดารอซูลก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้วแล้วหาโทขตายไปหรือเขาถูกฆ่ากวาดทาพวกเจ้าพ่อหันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับกระนั้นลึกและผู้ใดหันส้นเท้าของเขากลับแล้วใสมันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ลอแต่อย่างไหนึ่งแลลอนั้นจะทรงตอบแทนแก่ผู้ และไม่เคยปรากฏแก่ชีวิตใดที่จะตายนอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอ์เท่านั้น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 สต وا และมีนังบีจี่มากนอยแล้วที่กลุ่มชนอันมากมายได้ต่อสู้ร่วมกับเขาและพวกเขาหาได้ทอแท้ไม่ตอสิ่งที่ได้ประสบแก่พวกเขาในหนทางขอรับและพวกเขาหาได้อ่อนกำลังลง และหาได้ยอมสยบต่อศัตรูไม่และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลาย บ, บ, บ, บ, ออ บ, บอดอลลลและคำพูดของพวกเขาไม่ได้ปรากฏเป็นอื่นใดนอกจากพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้บาญาของเราโปรดได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา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 ซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี้และผลตอบแทนที่ดีแห่งฟรโลกและรนั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย وا, وا, كم, كم, โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย หาพวกเจ้าเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วพวกเขาก็จใจพวกเจ้ากลับส้นเท้าของพวกเจ้าเสียและพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่ขัดถูกุรนาิแต่ทว่าอัลลอฮฺต่าหากคือผู้ช่เหลือพวกเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้ดีเยี่ยมในบรรดาผู้ช่เหลือทั้งหลาย รเราจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสภาเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขาให้มีภาคีแกว้วล้อซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ส่งประธานหลักฐานใดๆ มายืนยังในสิ่งนั้นและที่อยู่ของพวกเขาคือขุมนรกซึ่งที่อยู่ของบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นช่างเลวร้ายจริงๆลจรทงวุองพบดใมาล้มหาถ้ิบ มีคุณไม่ يريد الدنيا ว่ามีคุณไม่ يريد الآخرة ทุ่ม้้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้้้้้้้ม้้ล้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้น้้้แ้้้้้้้้้้้ได้ส้้้้้้้้ญ้้้้้ร้้้้้้้้้ิ้้แ้้ว้้้้้้้้้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 เพื่อที่จะส่งทดสอบพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์นั้นทรงอาภัยแก่พวกเจ้าและอัลลอ์นั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่ผู้ที่สัปหะทั้งหลาย عوكم كم كم كم كم, كم ب ب عم تحز และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้านี้เอาตัวรอดและไม่เหลียวมองคนหนึ่งคนใด ทั้งๆ ท, ที่รอศูนย์กำลังเรียกพวกเจ้าทางเบื้องหลังของพวกเจ้าและพระองค์ก็ได้ส่งตอบแทนพวกเจ้าซึ่งความโศกเศร้าอีกอย่างพร้อมด้วยความโศกเศร้าอีกอย่างเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าพลาดไปและไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประสบแก่เจ้า แ, และล้อนั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระท ثمّ أزل عليكم من بعد الغم أ م َ ة ً وعسى يغش طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن ا ل ج ا ه ب ي ة يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله ُ لله ِ يخون ف َ في أنفسهم َُ ما لا يبدون َ لك َ يقولون لو كان لنا من الأمر ش ي ء ا ما ق ت ل ن ا ه ا قل لو كنت ُ في بيوتكم ُ لبرز َ الذين َ كتب ِ عليهم ََُْ القتل َ إلى م َ ض ا ِ ع ه ِ م และพระองค์ก็ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเจ้าหลังจากความโศกเศ้านั้นคือมีการนี่หลับครอบคลุมกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าได้ลกลุ่มนั้นตัวของพวกเขาเองทำให้พวกเขากระวนกระวายใจ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 หากปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราแล้วไซ่พวกเราก็ไม่ถูกฆ่าตายที่นี่จงกล่าวเถิดมัวหมัดแม้ปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในบ้านของพวกเจ้าก็าตามแน่นอนบรรดาผู้ที่การฆ่าได้ถูกกําหนดแก่พวกเขาแล้วก็ออกไปสู่ที่นอนตายของพวกเขาและเพื่อที่ลอตจะทรงทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้า ل ا ن ن َ ف َ الْأَرْضَ و َ ا ل ْ آ ِ ر ََ و َ ا ل م أ َ ي ْ ض َ و َ ا ل ْ آ خ َِ و ا ل ْ أ َ ر َ و َ ا ل ن آ خ ََِ و َ ا ل ْ أ َْ و َ ا ل ْ م خ َ ة َ و ا ل ْ أ ََْ ا ل ْ آ ََِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ و َ ا ل ْ آ َ وَالْأَرْضَ َ ا ل ْ آ ََِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ ا ل ْ آ َ و ا ل ْ أ َ ر ْ ض و َ ا ل ْ آ خ ِ ر وَالْأَرْضَ و َ ا ل َ ل ْ أ َْ و َ ا ل ر ََ ل ْ أ َ ر ي َ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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلوا كانوا ع ن د َ ن ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم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 เพื่อว่าลอตจะทรงให้เรื่องนั้นเป็นความสูกเศร้าในหัวใจของพวกเขาและแลอตนั้นจะทรงให้เป็นและให้ตายและแลอเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำละเมานอะ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 فبما رحمة من الله لتلهم ن ولو كنت فضًا غليظ القلب ِ ل ا فض من حولك فاعفو عنهم واستأصل لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم. <تصفيق> มุ h ัม m a d จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและทหารเจ้าเป็นผู้ประยุบหยาบชาและมีใจแข็งกระด้างเหล่าไสแน่นอนพวกเขาย่อมแยกตัวออกไปจากรอบ ๆ, จอบๆเจ้ากระแลดังนั้นจงให้อาภัยแก่พวกเขาเถิดและจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วยและจงปรึกษาหาหรือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลายครั้งเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมา ย, ดยแดาวล่อเถิด แท้จริอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มอบหมายทั้งหลายอียสุลลอฮฟะลาว่าลิเลคุมวย์ยัคดุลคุมทมเดลลี่ยัสรคุมมินบอดะ و ว ل อัลลอฮฟะลก์ลิลมุ่มมินูนหากว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าก็าไม่มีผูดด้ใดชนะพวกเจ้าได้ และาพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเจ้าผู้ดใดเล่าช่วยเหลือพวกเจ้าได้หลังจากพกระองค์และต่อล้อนั้นผู้สถาทั้งหลายจงมอบหมายถึงวเถิด และไม่ปรากฏแกน่นบีคนใดที่จะยักยอกและผู้ใดยักยอกแล้วเขาเพ่อจะนาสิ่งที่เขายักยอกนั้นมาในวันเขียมาแล้วแต่และคนจะรับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่เขาได้แสวงหาไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย ผู้ที่ปฏิบัติตามความยินยอมของอัลลอนั้นจะเหมือนกับผู้ที่ได้นำความคี้โปรดจากอัลลอฮกลับไปตระนั้นด้วและที่อยู่ของเขานั้นก็คือนรกซึ่งเป็นที่กลับอลเลร้ายยิ่งผูพวกเขาเหล่านั้นมีหลายระดับชั้น لقد من الله على المؤمنين إبدعت فيهم رسول ا من أنفسهم رسول ا من أنفسهم يسل عليهم آياته و ي َ ك ي ه م ويعلمهم الكتاب والحكمة.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 แทจิงอัลเลาะห์ทรงเบชานุภาพเหนือทุกสิ่งวะนาอษาดกเมยะอ์มะนตะกัลจะมาอันฟะบิอ์นิลลาฮิวะลิอ์ลามัลมุอ์มินีนละสิ่งที่ประสบแก่พวกเจ้าในวันที่สองกลุ่มเผชิญกันนั้นก็โดยที่อนุมัติของอัลลาะและเพื่อพระองคจะได้ทรงทราบดีถึงผู้สรัทาทั้งหลายนั้นวะลิอ์ลมัลลดีนลาฟะ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أ و د ف ع و ا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر يومئذ أ ق ر ُ منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 พวกเขาจะกล่าวด้วยลมปากของพวกเขาต่างกับสิ่งที่มีอยู่ในวัวใจของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้ออุบรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขา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 และเจ้าจงยาได้คิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ถูกฆ่านั้นพังขอรอนตายนีไ่ได้พวกเขายังมีชีวิตกันอยู่ณนะพระผู้บานของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยอย่างจริง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 และพวกเขาจะไม่เสียใจยึดถือเชื่อนับินึ่ต่อสิ่งอานวยความสุขจากอัลลอฮ์และความปรุณาถ้าจริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นสูญหาย ا ل ذ ي ن ا س ت ج ا ب و ا ل ل ه و ا ل ر س و ل م ن ب ع د م ا أ ص ا ب ه م ا ل ق ر ح ل ذ ي ن أ ح س ن و ا م ن ه م و ا ت ق ا و أ ج ر ع ظ ي م คือบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์และรอสูลหลังจากที่บาดแผลได้ประสบแก่พวกเขาสำหรับบรรดาผู้กระทำดีในหมู่พวกเขาและมีความยางเกรงนั้น คืเร่องลดา อ, อ, าอััน น, นินนานนนาที่ผู้คนได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมีผู้คนได้ชุมนุมสำหรับพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงกลัวพวกเขาเกิด แล้วคำพูดดังกล่าวนั้นได้เพิ่มการสถาแก่พวกเขาและพวกเขากล่าวว่าอัลล์นั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราและเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ดีเยี่มมมลล ย, มยมสส ลแลล้วพวกเขาได้กลับมาพร้อมด้วยความกรุณาจากพระองและความโปรดปรานจากพระองค์โดยไม่ได้มีอันตรายใดนๆในในประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้ปฏิบัติตามความพอพระทัยของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงโปรดปรานที่ดีที่สุด อินนมาดลิุม الشيطان ยุขวิศเอวลิยาฮะลาทะขาฟูมวะขาฟูนิอนคุณทุมม ؤ มินีนแค่จริงใช่ตอนนั้นเพียงขูได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏจจบัติตามมันเท่านั้นฉตนั้นพวกเจ้าจงอยากกลัวพวกมันและจงกลัว AH อัลล้อเถอะหาพวกเจ้าเป็นผู้สตัตว ولا َلَا كَالَّذِينَا الْكُفْرِ لَنْ اللَّهَ يَحْزُنْ يُسَارِعُونَ فِي يَضُرُّ شَيْئَا ي إِنَّهُمْ และจงแย่บรรดาผู้รีบเร่งในการปฏิเสธศรัทธาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าแท้จริงพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เราได้แต่ย่างใด อัลลอฮ์นั thorough, ้นทรงต้องการที่จะไม่มีส่วนได้ใดๆแก่พวกเขาในก่อโลกและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันดีกว่าอินนัลลิบินัชทรอุลกุฟรับิลอีมานเลยียดุลลอฮ์ชัยอเลยียดุลลอฮ์ชัยอูวะละหุมอัฎาบุลอะลี บรรดาผู้ที่ซื้อการปฏิเสธด้วยการสรัทธานั้นพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายในดๆแกอ่อัลเะได้แต่อย่างไรลและสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบวะลายะฮ์ซะบะนัลละดีนะกะฟะรูอันมานุมลีละฮุมค็อยรุนลิอันฟุซิฮิม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 และสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศระเาะคามช่วยเหลือผูอ้ที่ัทธาในพะองค์จนถึงวันที่พระองค์จะทรงเปิดเผยความจร ط งแก่ผู้ี่ศระอ أ آ ใช่ว่าเราจะส่งทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้ากำลังเป็นอยู่ก็หาไม่จนกว่าพรุ่งจะส่งจำแนกอยู่ที่เหลวออกจากผู้ที่ดีเท่านั้น และใช่ว่าอาลัลลอฮ์จะส่งให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่เร้นลับ ก, ก็หาไม่แต่เพาว่าอาลัลลอ์นั้นจะทรงคัดเลือกผู้ที่โปรงทรงประสงค์จากบรรดารอซูลของโปรงดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออลัลลอ์และบรรดารอซูลของโปรงเถิดและหากพวกเจ้าสภาและยังเกรงแล้วสำหรับพวกเจ้าคือรางวัล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 และบรรดาผู้จิตรณีในสิ่งที่อลัลลอ์ได้ประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์นั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่ามันเป็นการดีแก่พวกเขาหากแต่มันเป็นความไม่ดีแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาจะถูกคล้องสิ่งที่พวกเขาได้ตรรณีมันไว้ในวันที่ยามลำและสำหรับอลัลลอ์นั้นคือมรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และอัลลอฮนั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแล้วพระอดทินคำลอูกาอินนั้นลลฟกรและเรานอักนียะังสิวกาพูดและะาไดับพวกเขรดัีกูด”แลู่า“่้ัิ่ีกาด” อลัลลอฮ์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ยากจนและพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมีเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้และการที่พวกเขาฆ่าบรรดานาบีด้วยปราศจากความเป็นธรรมเราจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งเปลวเผือก นั่นก็เพราะสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้กว่านและแท้จริงอัลลอนั้นนี้ใช่เป็นผู้อาจทมแก่พวงบางทั้งหลาย الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من ق د ي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتهم إن كنتم صادقين บรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอลอนนั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรอศูลท่านใดจนกว่าเขาจะนํามาแก่เราซึ่งสิ่งฟรีดแดกอละอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมีไฟกินมันจงกล่าวเถิอโมหันต์แท้จริงได้มีบรรดารอศูลก่อนจากฉันได้นําบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้วแล้วก็ได้นําสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วย แล้วเพราะเหตุใดล่ะพวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขาหากพวกเจ้าพูดจริงและอินกะดบกฟดุดิบรุลุมมินแลถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธแท้จริงนั้นบรรดารอสูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้ว ซึ่งเขาเหล่านั้นได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจนบรรดาคำพีจะ บ, บูนและคำพีที่ให้แสงสว่างมาด้วยคุณัะสิ้นได้กะบสุลมาดุตว่าอินน์มาทุวัตโตนอุจูรุตุมยุโมลกิยามะฟะมันซุฮซิฮะอนินนาริวะอุดิิล์ัลจัมมัตฟัคด์ฟาซ วมลฮาแต่และชีวิตนั้นจะได้ลิมรสแห่งความตายและแท้จริงพวกเจ้าจะรับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั่นก็คือในวันปรโลกและผู้ใดที่ถูกหางไกลาจากไฟนรกและถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซแน่นอนเขาก็ชนะแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้น لا ي رأيناك جاكسين أمني ا ر و ت ي ل ا و ن ا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ك و ا أدن كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่อนอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคําขีก่อนหน้าพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้นแกแ่เราซึ่งก่อความเดือดร้อนมากมายและหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงต่อรอแล้วแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เดือดเดือ َإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ اللَّذِينَ الك الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ول لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوْهُ وَرَاءَ وَاشْتَرَوْ ُوْتُ ظُهُورِهِمْ بِهِ فَبِئْسَ และจงดำลึกถึงขนาดที่อัลลอฮทรงเอาคำมั่นสัญญาจากบรรดาผู้ที่ได้รับคำพิว่าแน่นอนยิง่ง พวกเจ้าจะต้องแจกแจงคำพินั้นให้จำแจ้ง แ, งแงก่ผู้คนทั้งหลายและพวกเจ้าจะต้องไม่ปิดบงังแล้วพวกเขาก็เหวี่ยงมันทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาและได้แลกเปลี่ยนมันกับราคาเล็กน้อยสิ่งที่พวกเขาแลกเปลี่ยนมานั้นช่างเลวร้ายสิ้นดี لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثا زة من العذاب ولهم عذاب أليم. تأويل ي و ي ا كيت بن ا ن ك บรร ด, ดาผู้ที่ปิติยินดีต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและชอบที่จะได้รับการชมเชยในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำนั้นจะรอดพ้นจากการลงโทษไปได้ดังนั้นเจ้าจงอยากคิดเป็นอันขาดว่าพวกเขาจะมีทางรอดพ้นการลงโทษไปได้และสําหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบ และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอ์นั้นทรงเดชารุภาพเนื้อทุกสิ่งอินน์ฟี خلق السماوات والأرض وأختلاف الليل والنهار الآيات اللو ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างของกลางวันและกลางคืนแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย าาาาาคือบรรดาผู้ที่ดำลึกถึงอัลลอ์ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนตะแคงโดยพี่พวกเขาพินิดพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ท่านไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยกล่าประยน์พระองค์ท่านทรงมหาบุรุษเพราะทรงคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการถูกลงโทษแห่งไฟน ร, รกด้วยเถิ ด, าาดอ ال อโอ้พระผู้เป็นมารของพวกเราแท้จริง ผู้ใดที่พระองค์ท่านทรงให้เข้าไฟนรกแน่นอนพระองค์ก็ยังความอภยตแก่เขาแล้วและสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นรับบนาอินนาสำญนามุนาบียยุนาดีสำญนามุนาบียยนาดีลิล إيمان أن أملو بربكم فأمننا พระผู้บันของเราแท้จริงพวกเราได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนผู้หนึ่งกําลังประกาศเชิญชวนให้มีการสรัทาว่าทัางทั้งหลายจงศรัทธาต่อพระผู้บัญของพวกเจ้าเถิดแล้วพวกเราก็ศรัทธากัน โอ้พระวิบาลของเราโปรดเอาภัยให้แก่พวกเราด้วยซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดลบล้านให้พ้นจากพวกเราซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดให้พวกเราสิ้นชีวิตโดยร่วมอยู่กับบรรดาคนดีด้วยเถิด วโอ้พระวิบาลของพวกเราขอได้โปรดประทานแก่พวกเราสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่พวกเราโดยผ่านบรรดาหรอซูลของพระองค์และโปรดอย่าได้ยังความอัปยศแก่พวกเราในวันปรโลกเลยแพ้ริงพระองค์ท่านนั้นไม่ทรงผิดสัญญา فاستجاب لهم ربهم أن ي لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من بيئهم وأدوا في سبيلي. وأذو في سبيلي وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ลลแล้วพรแพบาลของพวกเขาก็ตอบเราพวกเขาว่าแท้จริงข้าจะไม่สูญเสียซึ่งผลงานของผู้ที่ทํางานคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามโดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วนบรรดาผู้ที่อพยพ และที่ถูกขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาและได้รับความเดือดร้อนในทางของขา้าและได้ต่อสู้และถูกฆ่าตายนั้นแน่นอนข้าจะลบล้างบรรดาความผิดของเขาให้คนไปจากพวกเขาและแน่นอนข้าจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ และล้นั้นมีการตอบแทงอย่างดียิ่งณที่ประมุขอย่าให้การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานในเมืองหลวงเจ้าได้เป็นอันขาดมันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกใหญ่มันช่างเป็นที่พักผ่อนอันเลวร้ายจริงๆ วแต่บรรดาพุ้ทยังเกรงพระผู้บาลของพวกเขานั้นพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่รับรองจากอาลัลลอฮ์ณสิ่งที่มีอยู่ณอัลลอ์นั้นคือสิ่งที่ و َ إ ِ ن ّ م ِ ن ْ أَهْلِ ا ل ك ت َ ا ب ِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ك ُ م و َ م ا أ ن ز ِ ل إلَيْهِمْ خ َ ا ش ع ي ن خ َ ا ش ع ي ن ل ِ ل ه ِ لَا ي ش ك ت َ ر و ن َ ب ِ آ ي ا ت ا ل ل ّ ه ث َ م َ ن ا ق َ ل ي ل ً ا ُ و ا ل ئ ك َ ل َ ه ُ م أ َ ج ر ُ ه ُ م ع ن د َ ر ب ّ ه ِ م อและถ้าจริงในหมู่ชาวคมพีนั้นผู้มีสภาพต่อระองและสิ่งที่ถูกประธานลงมาแก่พวกเจ้าและสิ่งที่ถูกประธานลงมาแก่พวกเขาในฐานะผู้นอบน้องต่อร้องโดยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนองค์การต่อระองกับราคาเพียงเล็กน้อยชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับผลตอบแทนของพวกเขาณนะ ภาพู้อยบานของพวกเขาถ้าจริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระ ก, การสอบสน وا, วนอบาดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทนและจงอดทนซึ่งกันและกันเถิด และตรงประจำอยู่ชายแดงและพึงยำเกรงเอาลอเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ